เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่22บความต่างระหว่างปีติกับสุขพอกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ฉันก็ยินดีปรีดาตื่นเช้าด้วยความเป็นสุขสดชื่นเหมือนเดิมทำใจว่ายอมรับศัตรูเก่าเป็นเจ้านายทำใจว่าถ้าอยากได้มรรคผลอีกจะกำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์อันเกิดจากความอยากชนิดหนึ่ง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 ยิ้มแย้มบอกคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ลงมายืนหน้าเจียมเจียมว่าไม่เป็นไรจะนึกว่าฝ้ายเคราะห์รับอรุณมอเตอร์ไซค์ยินดีนักหนาเรีบกระเถิบหนีไปทันทีก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจฉันกลับขึ้นรถอย่างมีปีติเช่นกันปรีดาปราโมดที่ใจไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเมื่อครูไม่มีสักวินาทีที่ขุนเคืองไม่มีสักวินาทีที่อยากเรียกเงินทองจากใคร เพื่อมาแก้กันชนท้ายบุกเล็กๆน้อยๆ อ, อุทานในใจว่าเรามีหลังคามุงบังไว้ดีแล้วหนอฝนตกรั่วรถไม่ได้แล้วหนอเมื่อเช่นที่พระเถระและพระเถรีในครั้งพุทธกาลมักอุทานกันเมื่อตระหนักว่าตาหูจมูกปากกายใจของพวกท่านมีสติ ค, คุ้มครองแน่นหนาแล้ว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 เขาคันเชื่อมั่นเลยทีเดียวว่าต่อไปคงไม่มีความโกรธใดๆมาแพ้วผ่านจิตใจได้อีกขณะศัตรูยังกลายเป็นมิตรขณะคนทำรถบุกยังยิ้มร่าบอกว่าไม่เป็นไรอวยพรในใจจะอีกว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขตกเย็นนั้นฉันจอดรถแวะหน้าหมู่บ้านเพราะเกิดอยากกินหมูปิ้งข้าวเหนียวขึ้นมาเฉย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 เพราะทิปปิ้งวางอยู่พร้อมแล้วมีไม่พอจำนวนตามสั่งของฉันฉันขี้เกียจรอเลยทิ้งแบงยี่สิบไว้สาใบพอดีจำนวนบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาของแล้วเดินไปสั่งขนมซึ่งอยู่ถัดไปประมาณ19ก้าขนมมีวางอยู่แล้วแค่สั่งแล้วจ่ายสตางก็รับถุงมาได้เลยใช้เวลาเดินไปเดินกลับแค่สองนาทีซึ่งพอกลับมา ก็เห็นหมูย่างเสร็จใส่ถุงรอฉันเรียบร้อยฉันคว้าถุงและหันจะเดินตัวปลิวแต่ถูกเรียกไว้และร้องดังๆว่าฉันยังไม่ได้จ่ายเงินทีแรกนึกว่าเขาเข้าใจผิดและยังไม่เห็นแบงค์ที่ฉันวางไว้ฉันพูดดีๆว่าจ่ายเรียบร้อยเขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าอย่างและถามว่าจ่ายแล้วอยู่ไหนละ่ะยายเมียที่ยืนปิ้งหมูอยู่ข้างๆ ก็พลอยส่งเสียงสนับสนุนว่ายังไม่เห็นมีเลยยืนหัวโดเป็นพยานอยู่ตรงเนี้ยพอฉันก้มมองที่พื้นโต๊ะก็ไม่ปรากฏแบง์สีเขียวเสียแล้วเหลือบขึ้นมองเห็นหน้าเจ้าเล่และยิ้มเกรียมๆของคนขายหมูปิ้งก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรวูบหนึ่งคันๆขึ้นมาในอกแต่อีกวูบหนึ่งก็คิดอโหสิอยากได้เงินก็เอาไปฉันอโหสิให้ ถูกฉีกหน้ากลางตลาดไม่ค่อยอายนักต่างจากสมัยก่อนมากฉันคงหน้าม้านและเอาคืนแต่สติของฉันอย่างตั้งมั่นในเมตตาและอุเบกขาเลยยอมยอมเขาหยิบเงินจ่ายเพิ่มสรุปคือเสียร้อยสิบแต่ได้ของห0สบโดนโกงก่อนเข้าบ้านก็สบายใจไปอีกแบบพอขึ้นรถอาการคันๆอ ก, อกหวนกลับมาอีก ฉันมองไปข้างหน้ามือกุมกุญแจเตรียมบิดสตาร์ทแต่รู้สึกหนืดไปทั้งตัวชอบกลย้อนคิดถึงยิ้มกรีมๆรมและเสียงเอะอะแบบอันพานจะพูนทนาให้คนทั้งตลาดรู้ว่าฉันจะโกงเงินทั้งที่ถ้าลืมจ่ายก็พูดกันดีๆได้แล้วเกิดอาการแค้นแน่นอกจนหน้าเขียวเข็นเคี้ยวเขียเข้ยวฟันร่ำๆจะเปิดประตูย้อนลงไปฉักกับมันสหน่อย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 ก็ยังรู้สึกสงบใจอยู่ที่ผิวนอกคลายน้ำผุร้อนที่ฉีดขึ้นมาจากกลุ่มน้ำเย็นดูขัดขัดแปลกแปลกแต่สติตั้งมั่นรู้เหมือนมีฉันอีกคนเฝ้าดูอยู่เบื้องหลังต่างหากไม่เกี่ยวกับทั้งความเย็นและความร้อนเหล่านั้นฉันปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งไปโดยไม่ปิดกัน้นเห็นความร้อนในอิริยาบถนั่งซึ่งก็คือรูปหนึ่งของทุก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 แล้วความคิดกับความร้อนความคันก็จางลงเองแต่เดียเด๋ยวๆในหัวก็ผุดใบหน้าจอมโกงขึ้นมาอีกความร้อนความคันก็ถูกลากตามมาอีกเห็นสลับไปสลับมาถ้าจังหวะไหนเผลอแช่หน่อยก็กาอความคิดอยากกลับลงไปด่าขึ้นอีกแต่ถ้าจังหวะไหนขันด้วยสติรู้ลมและกำหนด จ, จิตเป็นอภัยความคิดร้ายก็หายไป เหมือนรบกันอยู่ถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าอาภัยจริงๆแล้วแต่พอเคลื่อนรถได้พักหนึ่งก็เอาอีกคิดถึงหน้าดันดานของเจ้านั่นอีกต้องกำหนดจิตเป็นอภัยอีกแล้วๆๆๆเล่า แ, แ, แต่ไม่ยากเกิดโสมนัสในอกยังฝืนฝืนฝด ฝ, ฝ, ฝ, ฝตามเดิมเมตตาเปล่งประกายรัศมีไม่ออกเสียแล้วสิ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 เป็นความปรุงแต่งส่วนเกินออกมาจากความสุขกับทั้งอาจเป็นของหลอกให้หลงได้ง่ายด้วยเช่นตื่นเต้นดีใจนึกว่าหลังคาบ้านเรามุงบังไว้ดีแล้วกิเลสรั่วรดไม่ได้แล้วปีติที่มีแรงฉีดแรงแงมักผูกตัวเองมากับความคิดเกินความจริงแรงแรงทให้หลงเข้าใจผิดได้สารพัด แต่ความสุขเนียนๆ ย, ยังมีความวางเฉยมักทําให้ตระหนักตามสภาพที่เป็นจริงเฉพาะหน้าฉันได้คอสังเกตเช่นนี้แต่ก็ไม่คิดจะห้ามปีติโสมนัสในครั้งต่อๆไปถ้าอยากเกิดก็ให้มันเกิดแต่จะไม่ฟังไม่เชื่อถือไม่ให้ความสำคัญกับความคิดของตัวเองในวาระนั้นเท่าไหร่นักค่อยๆรู้ค่อยๆดู ว่าปีติจะแผลงฤธิ์ผลิตความคิดได้พิสดารสักเพียงใด